องประกอบของมัชชิมาปฏิปทาหมวดสมาธิข้อที่สองเรียงลำดับตามมัคมีองแปดคือข้อเจ็ดสัมมาสติคำจำกัดความสัมมาสติเป็นองค์มัคข้อที่สองในหมวดสมาธิ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 มีสติปลอดไร้อภิชาและโทมนัสในโลก 2. ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติปลอดไร <Bu> ้อภ <hai S 2> ิชาและโทมนัสในโลก 3. ตามเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติปลอดไร้อภิชาและโทมนัสในโลก